ต่อไปสังสารวัต ก, นะ ก, ก, ก็ไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะโซกะปริเทวทุกขโทมานัสอุปายาทก็ไม่มีจบมีสิ้นเพราะว่าตันหาตันหาตัวนี้แหละคือเหตุที่สำคัญแห่ง โสกะบริเทวะทุกโทมาัะและอุปาญาเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนเป็นเหตุแห่งความขับแค้นเป็นเหตุแห่งความลำบากทางร่างกายและจิตใจก็มีตัณหานั่นแหละเป็นปัจจัยมัน้นผู้ที่มีตัณหาเป็นเพื่อนสองพาท่องพาเที่ยวไปแล้วแต่ตัณหาจะเสี้ยมจะซอนจ ะ, อจะบอกจะกล่าวก็เชื่อฟังโมทํทำตามทุกอย่างนั่นะถ้าอย่างนี้ก็ไม่พ้นไปจากทุกในปัจจุบันและทุกที่จะมีต่อไปในอนาคตได้นะ่นนะ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 อะไรนะบุคคลเป็นสหายเมื่อกี้สหายภายในในสหายภายนอกก็คือบุคคลทั่วไปบุคคลบางคนในโลกนี้ฟุ้งซ่านมิใช่เป็นเหตุของตนมิใช่เพราะเหตุแห่งผู้อื่นกระทำ ม, ะมีใจไม่สงบคนเดียวกลายเป็นคนที่สองสองคนกลายเป็นคนที่สามค่าตอนแรกก็ฟุ้งซ่านนะใช่ไมเฮ้ยพอตันหามันพาไปอ๊ยอยู่คนเดียวมันจะสนุกได้ไงหาเพื่อนด้วยสิ ก็เลยจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสาจากสามเป็นสพอมีสี่ก็เรียกว่าสภาสองคนก็สภาอะไรก็ว่ากันไปนี่ยนะแล้วแต่ว่าเมาอะไรเมากาแฟเมาน้ําชาเมาสุรายามีอะไรอะไรก็แล้วแต่เมาก็ เ, าเลยเพ้อเจอมากในที่ที่ตนไปนั้นไปอะไรพระเจอกันมันไม่คุยอริยสัจหรอกเชื่อเถอะนะนะเจอสมมว่าโอ้เขามีเพื่อนเยอะแยะมากนะแสดงว่าเขาไม่ได้ ถ้าเพื่อนเหล่านั้นถ้าพากันสนทนาอริยศัสตร์ก็ใกล้พ้นทุกข์นะแต่โดยมากไม่ใช่เพอเจอพผู้เรื่องพระราชาเรื่องโจนมหามาเรื่องกองทัพเรื่องรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำการสมัยเขาใช้พระนะเรื่องการบ้านการเมืองเขาแบานั้นนะเพอเดรันคาถาเน่ลยมีอะไรเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องดอกไม้เรื่องญาติ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 เกี่ยวข้องด้วยตันหากับเกี่ยวข้องด้วยทิฏฐิไอ้ความการพูดคุยการพูดจากับสหายภายในเนี่ยนะหรืออยู่กับสหายภายนอกด้วยตันหาและทิฏฐิไอในถามว่าน่ากลัวไหมในตอนปลายตอนต้นไม่น่ากลัวหรอกแต่ต่อต่อไปในอนาคตจะพบแต่สิ่งที่น่ากลัวเรือ่อภายัยจะมีภัยทั้งหลายตามมาภัยที่เกิดจากการ พูดคุยเกี่ยวข้องมีอะไรบ้างก็คือภัยภัยคือความเกิดความน่ากลัวคือการเกิดความน่ากลัวคือความแก่เรียกว่าชาติภัยชราภัยพญาทีภัยมรณะภัยนะก็คือความน่ากลัวคือความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายราชภัยโจรภัยนี่ยนะก็ภัยมาจากพระราชาภัยจากโจรภัยจากไฟภัยจากน้ําภัยที่เกิดจากตัวเองก็ตําหนิตัวเองภัยที่เกิดจากผู้อื่นตําหนิ ภัยคืออาจยาถูกลงโทษด้วยกายด้วยวาจาเป็นต้นภัยคือทุกขติภัยที่เกิดจากคลื่นภัยที่เกิดจากจระเข้วังน้ำวนปลา้ายภัยที่เกิดจากสการแสวงหาเครื่องบารุงเลี้ยงชีวิตภัยที่มาจากความติเตียนเนี่ยนะติเตียนก็คือถูกนินทาทั้งหลายหรือภัยที่เกิดจากความขั้นร้ามในประชุมชนเหตุที่น่ากลัวความหวาดเสียวความขนลุกขนพองความที่จิตหวาดสะดุง้งความที่จิตหวาดวัน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 โสกปริเทวทุกโทมณตอุปาญาสําหรับผู้ที่เกิดมาแล้วสิ่งที่ต้องเกี่ยวขอ้องเช่นภัยมาจากพระราชาภัยมาจากโจรภัยจากไฟภัยจากนา้ําภัยจากการถูกเตะเตียนว่าร้ายภัยจากอาทยาภัยในอบายทุกขติวินิบาตนะรกสารพัดภัยทั้งหลายก็จะตามมาเพราะอะไรเพราะขันห้าเนี่ยเป็นที่รองรับภัยสารพัดชนิดถ้าไม่มีขันห้าภัยทั้งปวงจะมีได้ไหมก็เนื่องจากมีขันห้าจึงมีภัยต่างๆ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 ที่จริงเนี่ยปกติแล้วบางคนก็บอกว่าผู้ชายหลายคนเ้าเล่าให้ฟังบอกว่าชีวิตมันจะมีความสุขบ้างก็คือเนี่ยพูดคุยกับลูกนี่แหละมันเขาจะต้องรีบทํางานให้เสร็จรีบกลับบ้านบอกทําไมจะได้ไปคุยกับลูกไปหยอกเย้ากับลูกว่างั้นถ้ากลับบ้านดึกเดี๋ยวลูกจะหลับไปซะก่อนอดพูดกับลูกเวรางั้นเลยว่ามีความสุขในการพูด้านคุยอยู่กับลูกนั่นแหละนี่สำหรับพระปเจกพรโพธิสัตว์พระองค์นี้ท่านรู้เลยว่า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 มีเศรษฐีบุตรยังหนุ่มตอนหนุ่มก็ได้รับตำแหน่งเศรษฐีตาแหน่งเศรษฐีเศรษฐีบุตรนั้นมีปราศาสตรสามหลังสำหรับสามฤดูนั่นก็รวยมากเลยนะเศรษฐีบุตรนั้นบำรุงบำเรอด้วยสมบัติทั้งปวงเหมือนเทพกุมารที่ยังหนุ่มอยู่วันหนึ่งก็ได้ปรึกษากับมารดาและบิดา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 คุกอันละมุนละไมประมาณบางสำเนาบางท่านเขบอกว่าไอความสุขเหล่านี้ก็คุกอันละมุนละไมจะได้ติดได้ข้องก็ได้ไม่ต้องจัดประั้นติดคุกที่เสมือนไม่ได้ติดเน่ยนะมีความสุขมากจะคุกอันละมุนละไมประมาณแต่ในที่สุดก็แต่สําหรับคนที่มีอุปนิสัยก็แหกคุกตลอดอนะจะละมุนละไมขนาดไหนจะคุกโหดร้ายขนาดไหนะก็หาทางออกอย่างเดียวเสร็จแล้วก็วันหนึ่งก็ไปปรึกษากับพ่อแม่ว่าลูกจยากบวชนะ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 โอ้ยมันยากใจเทนาพ่อไปพูดเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะในตอนมีลูกลูกว่านอนซอนง่ายนะมีความสุขเหลือเกินลูกเราดีดีพอลูกเป็นอย่างนี้เข้ารักลูกก็รักอยากให้ลูกอยู่ก็อยากถ้าหากว่าเราอนุญาตให้ลูกบวชเราเองก็เสียใจเนี่ยนะเพราะเราก็กลัวความทัดพลากจากลูกสุดที่รักอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากห้ามให้ลูกจะบวชเลยอยู่อย่างนี้เถอะลูกก็เสียใจ นะพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยจะชนะอะไรดีช่างเถิดความเสียใจจงมีแก่พวกเราแต่ยามีแก่บุตรรักลูกมากอายอมกันแล้วกันสุดแท้แต่ลูกกันแล้กันนะยอมเสียใจนะสองตายายยอมเสียใจอนุ ญ, ญาตให้ลูกไปบวตได้จากนั้นเศรษฐีบุตรนั้นก็ไม่คํหนึ่งถึงปริชนปริชนแปล ว, ว่าคนรอบคนโดยรอบนับตั้งแต่พ่อแม่มิตรญาติบริวารเป็นต้นทั้งหมดที่คร่าครวญอยู่ ไปอยู่ป่าอิสิปัตนาเนี่ยนะไปอยู่ป่าอิสิปัตนาไอ้ป่าอันนั้นเราก็ไปกันตั้งหลายคนก็ไม่เห็นใครคิดจะไปอยู่บ้างเลยนะเราไปกันนั่งเยอะนะในห้องนี้ก็ไปมาหลายคนเลยป่าอิสิปัตนาเนี่ยนะจะเห็นสถานที่เดียวกันแต่มันคิดในเหมือนกันนะเนาะใจมันไม่ได้เท่ากันอะไรเหมือนกันเสร็จแล้วก็ไปบวชในสำนักของพระประเจกครับพุทธเจ้าเสนาสนะอันโอลานย่อมไม่ถึงแก่เขาหมายเขาว่าพระบวชใหม่ก็บอก อะไรนะกุฏิที่เหลือนั่นแหละหลังสุดท้ายนั่นแหละจะตกกับเขาเขาก็ต้องปูเสื่อลำแพนบนเตียงแลว้วก็นอนปกติก็เคยชินแต่ที่นอนอันประเสริฐตกเป็นทุกอย่างยิ่งตลอดคืนเนี่ยนะให้มานอนเตียงธรรมดาแล้วก็เสือ่อผืนผอหมอนใบเนี่ยให้นอนอยู่อย่างนั้นแม้มันทุกทรมานเหลือเกินปกติก็ต้องมีคนคอยดูแลคอยอะไรทุกอย่างแล้วทุกทั้งคืน ทำบริกรรมสรีระเม้แต่เช้าก็เลยถือบาดจีวรเข้าไปบินทบาทพร้อมกับพระประเจกพุทธเจ้าในพระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นท่านผู้บวชนานผู้แก่คือผู้บวชนานย่อมได้อาสนะที่เลิศและบินดาอาหารที่เลิศผู้ใหม่ย่อมได้ตามมีตามเกิดหมายว่าเหลือเท่าไหร่ก็ตกแก่ผู้ใหม่อ่ะนะหมายความว่าทั้นอาหารก็ได้แต่อาหารที่เร็วๆ เ, เศษฐีบุตรผู้นั้น เป็นทุกอย่างยิ่งนะนะทุกเหลือเกินแม้ด้วยโภชนะอันเลวพานไปนอสองสามวันพร้อมนะนะสองสาวันนี่ก็พร้อมเลยนะยิ่งมาไปอดอาหารแบบยิ่งมาหนักกว่าอะไรนะแต่อดอาหารเพื่ อ, อลดน้ําหนักเป็นต้นเนี่ยนะพร้อมเลยมนะันผิวก็เศร้ามองเบื่อในในสมรธรรมในตอนอยู่บ้านจะหานิ้พานให้ได้เลยนะพอไปอยู่ป่าเข้าจริงๆไม่เอาแลว้วว่างั้นนะจะสุกแค่ไหนหนี้พานกลับบ้านก็ได้ว่างั้นนะ ที่บ้านก็สุขไม่เลวก็เลยอยากกลับบ้านเพราะอะไรเพราะยานยังไม่ถึงความแก่รอบคือคืออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอที่จะบรรลุก็เลยส่งทูตส่งข่าวไปบอกพ่อบอกแม่สึกดีหวังแลนะพระนาชาติสุดท้ายนั้นยังบวชสึกอีกเศรษฐีบุตรนั้นอยู่มาก็ได้กําลังเล็กน้อยบวชไปบวชมาเออกลับมาอยู่บ้านเนี่ยนะอยู่ครอบครัวมีความสุขตามเดิมอีกแล้วสัตยา น, นึ่งไม่กี่วันเนี่ย อยากจะบวชอีกพอบวชอีกก็ซึกอีกทานองนี้จนครั้งที่สก็บอกว่าถามว่าทําไมอดีตเนี่ยท่านเคยเป็นนักบวชคงคงเกลียดกล่อมสรรเสริญคุณแห่งคารวาสให้พระภิกษุเหล่าอดีตเนี่ยซึกไปอย่างอย่างบางคนในสมัยนี้เนี่ยนะบอกโอ้ซึกเธอไปคอยเกลียดกล่อมให้พระซึกอะไรเป็นต้นเนี่ยจะด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งกรรมตัวนี้พอตัวเองบวชเข้ามาเนี่ย ถึงชาติสุดท้ายก็บวชบวชสึกสึกไงนะสึกๆึกแล้วก็บวบบวชแล้วก็สึกอยู่นั่นแหละวนวนแล้ววนเล่าเพราะอะไรเพราะตัวเองเคย ส, สรเรเสริญคุณแห่งความเป็นคารวะพอไปบวชแล้วก็จะเบื่อหน่ายแล้วก็กลับมาอยู่บ้านอยู่บ้านนี่ก็เดือดร้อนอีกอยากบวชอีกบวชอีกก็เดือดร้อนอีกสึกอีกก็เลยบวบบวชศึกสึกแต่เนี่ยนี่เหตุใกล้เหตุไกลก็คือเหตุไกลก็คือในอดีตเคยสรรเสริญคุณแห่งความเป็นกระดัสชัดเจนให้คนอื่นที่บวชแล้วศึกหาลาเพศเป็นต้นนะ่ยนะ